สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่ยี่สิบเก้าเรื่องทางสองแคร่งตอนที่สามพระจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตสุภาษิตบทที่สี่นะครับสุภาษิตบทที่สี่ข้อที่สิบหกถึงสิบเก้าโปรดฟังพระเจะ้าของพระเจ้า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 เขาไม่ทราบว่าเขาสะดุดอะไรพี่น้องครับในวันนี้ทางสองแพ้่งเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับโปรดอย่าลืมว่าทางสองแพร่งนั้นทางหนึ่งนำไปถึงชีวิตแต่อีกทางหนึ่งนำไปถึงความตายทางหนึ่งนำไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดที่พระเจ้าปรารถนาและเป็นน้ำมันไทยของพระเจ้าให้กับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ในขณะที่อีกทางหนึ่งนาไปถึงความผิดนาานิรันดรและ นรกที่พระเจ้าไม่ปรารถนาให้ลูกของพระองค์ได้ไปและอยู่ที่นั่นแต่ทั้งสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นชั่วนิิรันดรหมายความว่าไม่มีทางหวนกลับไม่มีทางกลับใจใหม่ได้ไม่มีทางกลับเนื้อกลับตัวตั้งต้นใหม่ได้เมื่อเราผ่านความตายไปแล้วพี่น้องครับหลังจากความตายนั้นเราจะก้าวเข้าสู่ความเป็นนิรันดรครับเราจะตายนิรันดร หรือเราจะมีชีวิตนิรันด์อยู่ที่เราเลือกนี่คือทางสองแง่เพราะเจนะของพระเจ้าเมื่อวานนี้นะครับสอนให้เราที่จะปลูกฝังพฤติกรรมและคาสั่งสอนโดยพระเจ้าของพระเจ้าและโดยคุณครูปัญญาหรือพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำพีสอนเราให้รู้วิธีการสอนวิธีการล่วงหน้าเลือกวิถีที่ถูกต้อง วางแผนให้ดีและหับหนีให้เป็นในวันนี้นะครับอยากจะแบ่งปัพนพระเจ้าของพระเจ้าในเรื่องของทางสองแพง่งที่เกี่ยวข้องกับการล่อลวงในพระธรรมยากบพระธรรมยากรบบทที่หนึ่งพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการล่อลวงในข้อที่สิบสามเราจะนับตั้งแต่ข้อที่สิบสามจนถึงข้อที่สิบห้านะครับยากร บ, บทที่หนึ่งข้อสิบสามจนถึงข้อที่สิบห้า เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพระเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนําให้กระทาตามทันตัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดบาปและเมื่อบาปจเจริญเต็มที่แล้วก็นําไปสู่ความตาย พี่น้องครับเวลาที่เราทํำบาปนะครับอย่าไปโทษว่าพระเจ้าล่อพวกเราให้ทํำบาปเพราะว่าความชั่วจะมาให้พระเจ้านะครับจะมาล่อพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่มีวันหลงครับและพระเจ้าจะไม่มีทางที่จะล่อลวงเราให้หลงไปจากทางของพระองค์ไม่มีทางครับและเพิมพี่ยืนยันครับว่าพระองค์ก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยนั่นหมายความว่าการล่อลวงนั้นเป็นงานของมารซาตานครับ และการล่อลวงนั้นมันสตารมันก็เริ่มต er ้นมี process หรือมีกระบวนการของมันก็คือว่าสร้างกิเลสสร้างกิเลสสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นนะครับและชักนํานี่คือกระบวนการครับสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นสร้างความอยากในทางที่ไม่ดีสร้างความปรารถนาในสิ่งชั่วร้ายสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นและนําความปรารถนาที่ชั่วร้ายนั้นไปสู่การกระทําครับ และใจของเขาเมื่อเกิดตัณหาก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญขึ้นเต็มที่ก็นำไปถึงความตายพี่น้องครับผมอยากจะแบ่งปันคำสอนของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับก็คือหลายๆายท่านเคารพนับนับถือก็คือท่านอาจารย์หมอเฮนรี่ไบเดนทอลท่านเคยสอนอย่างนี้นะครับว่ากระบวนการของการทำบาปนั้นมันมีหลายขั้นตอนจากถัค้คัมภี ในยากรบทที่หนึ่งข้อสิบสามสิบสีนี้ทำให้เรารู้ว่ามันมีกระบวนการหรือขั้นตอนการทำบาปนะครับโดยเริ่มต้นจากเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามท่านก็ได้อธิบายว่าก่อนที่คนคนหนึ่งจะผิดเรื่องการล่วงประเวณีจะต้องผ่านกระบวนการถึงสิบสามขั้นตอนครับในสิบสามขั้นตอนนี้ถูกแยกแยะอย่างละเอียดถี่ถ้วนคนเราจะต้องผ่านถึงสิบสามด่านนะครับ กว่าที่เขาจะทำการล่วงประเวณีผิดประเวณีพี่น้องครับผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดทั้ง13อย่างนี้แต่ด้วยความเข้าใจของพี่น้องทุกท่านเราจะเข้าใจว่าะบวนการที่จะทำบาบนั้นมันมีอยู่ครับมันเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงการกระทำบาปเกิดขึ้นความผิดเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับเราจะต้องไม่ ปฏิเสธว่าทางสองแง่นั้นมีจริงและชีวิตของเรานั้นตกอยู่ภายใต้การที่เราจะเลือกและตัดสินใจหลายครั้งทีเดียวจากประสบการณ์ของหลายเลาท่านเราพบว่าจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่ร่างกายยังอ่อนกําลังอยู่ฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังของเรานั้นยังอ่อนกําลังเพราะว่าเนื้อหนังของเรานั้นตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบาปมาก่อน ตกอยู่ภายใต้การเย้ายวนการล่อลวงของมารซาตานได้เพราะฉะนั้นเราเองนั่นจะต้องเข้มแข็งครับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าทุบตีร่างกายของข้าพเจ้าจนอยู่มือนั่นหมายความว่าท่านนั้นได้ฝึกวินยัยอย่าลืมนะครับพี่น้องในสุภาษิตบทที่สีวินัยคือชีวิตเพราะฉะนั้นของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าเมื่อเรารู้ว่าวินัยคือชีวิตเมื่อเรารู้ว่าวิถีของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับ เราในการเดินตามพระองค์ไปนั้นเป็นวิถีที่ดีที่สุดเราเองนั้นจะต้องตัดสินใจเลือกนะครับระหว่างทางสองแพ่งนี้ว่าจะติดตามพระเยซูติดตามพระเจ้าดีหรือจะติดตามมารซาตานดีติดตามความบาปติดตามความตายดีเพื่อนครับในข้อที่สิบหกก็จะน่าได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าคนที่ชั่วร้ายนั้นถ้าเขาไม่ได้ทำความผิดเขานอนไม่หลับและถ้าเขาไม่ได้ทาให้คนใดสะดุดเขาก็หลับไม่ลง ที่น้องครับพระคัมภีตอนนี้คําว่าเขาเนี่ยในภาษาอังกฤษใช้คําว่าเดยก็หมายความว่าเป็นพักพวกเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีความพึงพอใจในการที่จะทําร้ายทําลายชีวิตของคนอื่นและดึงนะครับด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดดึงคนอื่นให้เข้าสู่ความบาปที่เขากําลังจะทำที่น้องครับไม่ว่าจะเป็นการกินเหล้านะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพานัน ไม่ว่าจะเป็นวงไพ่วงไฮโลหรือจะเป็นแก๊งกลุ่มต่างๆพี่น้องครับอันนี้คือคนหลายหลายคนรวมกันครับคนหลายๆคนรวมกันเนี่ยมันมีพลังแต่เขาใช้พลังในทางที่ผิดในขณะที่พวกเรารวมตัวกันอธิษฐานรวมตัวกันศึกษาพราะเจ้าของพระเจ้ารวมตัวกันเข้ากลุ่มแคร์รวมตัวกันที่จะสนับสนุนสามัคคีธรรมนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันน่แหละครับมันก็มีพลัง ในทางด้านที่ดีเพราะฉะนั้าของพระเจ้าลกล่าวต่อไปนะครับว่าถ้าคนชั่วร้ายไม่ได้ความความผิดเขานอนไม่หลับถ้าเขาไปทําคนสะดุดเขาหลับไม่ลงเพราะเขารับประทานอาหารของความชั่วร้ายและดื่มเหล้าอางุ่นแห่งความทารุณพี่น้องครับความพึงพอใจความเพลิดเพลินนะครับของคนชั่วร้ายนั้นทําให้เขานั้นติดเซตติดการดําเนินชีวิตที่อยู่ในความเลวร้ายความชั่วร้ายแสดงว่า เขามีชีวิตยอยู่นะครับเขากินอยู่ในความชั่วร้ายในความโหดร้ายและในความขารุนเขานอนไม่ได้ถ้าเขาไม่ทำความชั่วนอนไม่ได้ถ้าเขาไม่ติชิ น, นินทาผู้อื่นนอนไม่ได้เมื่อเขาถ้าเขาไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำอันตรายทำร้ายทำลายคนอื่นพี่น้องครับในข้อที่สิบแปดนะครับพระวจนะของพระเจ้าได้หัดมุม ให้เรารู้ว่าวิถีของคนชอบธรรมนั้นเหมือนแสงอรณุณเหมือนแสงตะวันครับเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นใายฉุกแสงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเต็มวันคำว่าเต็มวันในที่นี้หมายถึงเที่ยงวันครับเพราะคำว่าเต็มวันในที่นี้มีความหมายว่าพระเจ้านั้นได้นำพระปัญญาของพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของผู้ที่เลือกทางของพระเจ้าเลือกวิถีของพระองค์หลังจากที่เราเลือกระหว่างทางสองแพ่ง ซ้ายกับขวาดีกับเลวนะครับอธรรมกับความชอบธรรมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระคุมพีท้าทายเราและเชิญชวนเราให้เราเลือกทางที่ถูกต้องเพื่อสวัสดิภาพสูงสุดของเราเพราะปัญญาของพระเจ้านะครับหรือคุณครูปัญญาหรือพระวิญญาณบริสุทธินั้นวางแผนวางแผนที่ให้ชีวิตของเรานั้นไม่ขาดอะไรเลยและทำให้ชีวิตของเรานั้นครบบริบูรณ์และเราจะเป็น ผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนะครับโปรดปรานมากที่สุดแห่งสรรพสิ่งทั้งหลายพี่น้องครับความชัดเจนที่สุดและความสว่างที่สุดของดวงอาทิตย์อยู่ที่ทเที่ยงวันชีวิตของเราก็จะเป็นเช่นนั้นเราเ จ, จะเจริญก้าวหน้าพัฒนาวัฒนาถาวรจนกระทั่งเราเข้าสู่ ความชัดเจนความสว่างที่สุดจุดไคลแมกซ์หรือจุดสูงสุดของชีวิตของเราตามน้ำมัทยของพระเจ้าที่ได้วางไว้ให้กับพวกเราทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เราจะไม่เดินในทางของคนชั่วร้ายแต่เราจะเดินอยู่ในทางของค น, นธรรมและชีวิตของเรานั้นจะใช้สุขใยยัยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอเมน